ถ้าพระองค์เลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์อย่างนี้คือท่านเนี่ยท่า น, นนนท์เนเลื่อมใสในสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในนั้นทั้งหมดนะว่าความสงสยัยความเคลือบแคลงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในมรรคหรือข้อปฏิบัติไม่มีแม้แก่ภิกษุรูปหนึ่งในจํานวนภิกษุสองหมูน่นี้ไม่มีแม้แต่องค์เดียวเลยที่ ขาดความมั่นใจในพระพุทธเจ้าเพราะทุกองค์มั่นใจในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ระดับโลกุตระสรณคมและสรณคมระดับอรหันต์นะะสรณคมระดับโสดาบันก็มั่นคงน้อยกว่าพระสกทาคามีสรณคมของพระสกทาคามีก็มีความมั่นคงน้อยกว่าพระนาคามีพระนาคามีก็นํามั่นคงน้อยกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่มั่นคงใน พระรัตนตรัยที่สูงสุดและในข้อปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยนีพระอรหันต์นีน่สมบูรณ์ด้วยหีริโอต ป, ปะสมบูรณ์ด้วยเกรียกว่าอริยมรรคพรหมจรรย์เนี่ยพระนนทท่านบอกท่านเลื่อมใสจริงจริงซึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอนอนน์เธอพูดด้วยศรัทธาเธอพูดเพราะความเลื่อมใสตะถาคตเนี่ยพูดด้วยอย่างรู้อย่างรู้แปล ว, ว่ารู้พูดเพราะอย่างรู้ด้วยสัพพัญญุตยาน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 ถ้านนท์เนี่ยต่ำกับเพื่อนอีกแล้วว่างั้นในจํานวนพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยพระนนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันองค์อื่นเป็นพระอหันต์ทั้งหมดแหละและถ้านนท์เองพูดถึงโสดาปโสดาบันเนี่ยนะโสตะแปลว่ากระแสะอาปันนะแปลว่าเข้าถึงผู้เข้าถึงอริยามรรคแล้วเนี่ยถ้าอนนท์เนี่ยผู้ที่ประชุมอริยามรรคได้เสร็จแล้วท่านไม่ตกต่ําแน่นอน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 เพราะเข้าถึงสัมมัตตา น, นิยามแล้วเข้าถึงความประชุมพร้อมแห่งอริยมรรทแล้วแน่นอนที่จะตรัสรู้ต่อไปเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียท่านเหล่านี้จะต้องเป็นพระสกทาคามีเป็นพระนาคามีและในที่สุดต้องเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นองค์ที่อยู่ในม่านเนี่ยะนะท่านนนเนี่ยสงสัยในพระพุทธเจ้ามีไหม ไม่นี่มีแต่ความเลื่อมใสอย่างยิ่งถ้านนท์จะสงสัยในพระธรรมมีไหมบอกไม่มีมีแต่ความเลื่อมใสยอย่างยิ่งถ้านนท์นี่เลื่อมใสในพระสงค์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเนนะมันพระองค์ก็บอกว่าอนนท์เธอพูดเพราะศรัทธาแต่พระพุทธเจ้าพูดเพราะอย่างรู้ด้วยสัพพัญยุตยานอยู่แล้วว่าองค์เหล่านั้นที่ตกต่ํากว่าเพื่อนหรือว่าต่ําที่สุดกว่าเพื่อนก็คือพระโสดาบันหมายถึงพระอนนท์เท่านั้นที่เหลือเป็นพระารหารหมดเลยเนี่ยนะ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 พระองค์บอกว่าเราจะกล่าวข้อนั้นแก่เธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นพิสูจทั้งหลายจงถามมาเถอะจะถามเกี่ยวกับพระผู้แเจ้าก็ได้ถามพระเกี่ยวกับพระธรรมก็ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์ก็ได้เกี่ยวกับมรรคก็ได้เกี่ยวกับปฏิปทาทั้งหลายก็ได้ปราถนาจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรสงสัยข้อไหนก็จงถามมาเถอะเนี่ยนะอย่าได้เคลือบแคลงสงสัยในตอนท้ายเลยบทว่าสัพพุคารเวนาติณปุจฉญาถา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 พันผู้ที่ต่ํากว่าเพื่อนโดยคุณธรรมคือพระอนนท์นะส่วนที่เหลือก็เป็นพราตุฐานถึงอย่างนั้นพระนอนนท์ก็ถึงแม้ท่านโดยคุณธรรมท่านเป็นพระโสดาบันก็จรงิงแต่ความสามารถเช่นท่านเป็นเลิศทางเอตะทะัคคะด้านเป็นปหูสูตรท่านทรงจําพุทธพจน์ได้ทั้งหมดเนี่ยนะพั น, นทุกคนเนี่ยนะจะเว้นท่านอนนท์ไม่ได้ในพระาศาสนานี้เพราะฉะนั้นต่ําโดยคุณธรรมก็จรงิงแต่ว่าอริยสัพย์คือสุ ต, ตะของท่านกว้างขวางยิ่งนักนะ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 อนัสังขารสังขารหมายถึงว่าขันอายตนะธาตุทั้งหลายจะเลวร้ายขนาดไหนจนถึงประณีตสูงสุดปานใดก็ตามสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนักวยะธรรมสอักษรอันนั สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขยะวยธรรมมาสังขาราเสื่อมเป็นธรรมดาสิ้นเป็นธรรมดาก็แปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความเสื่อมเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปและแปรปรนไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเจือปนไปกับชรามรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกะ ป, ปริเทวะทุกโทมานัตเล อุปาญาตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยจะเป็นอัตตาและาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเมื่อสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้กิจอันเดียวเท่านั้นที่เธอทั้งหลายจะต้องปฏิบัติก็คือยังความไม่ประมาณให้ถึงพร้อมเธอ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 สรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรทมที่เตียงปรินิพพานโอวาสสุดท้ายพระองค์โอวาสสรุปพระโอวาสที่ประธานมาหรือสั่งสอนมาตลอด45ภาษารวมลงในบทคือความไม่ประมาทอย่างเดียวเท่านั้นก็คืออย่าประมาทในทุกอย่างที่พระองค์บอกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์ตรัสรู้ดีแล้วพระธรรมก็นําออกจากทุกขแท้จริงแล้วพระสงค์ก็ปฏิบัติดีแล้วเพราะฉะนั้น ควรหรือที่จะประมาทในพระธรรมไตรควรหรือเนี่ยนะที่จะประมาทในศีลทั้งหลายเพราะพระองค์วินิจฉัยเลือกเฟ้นศีลของพระองค์ได้อย่างดีเลือกเฟ้นสมถะและวิปัสนาเลือกเฟ้นทุกอย่างเพราะฉะนั้นกิจในการเจริญอสิกขาสามกิจในการเจริญวิสุทธิเจ็ดกิจในการเจริญข้อปฏิบัติโพธิปัจจะธรรมทั้งปวงเนี่ยนะต้องทําด้วยความไม่ประมาทเพราะคนที่ประมาทคือคนที่ตายแล้วเนี่ยนะ ตายแล้วอะไรก็คือชาตินี้ก็ถือว่าจบแล้วชาติ ต, ต่อต่อไปอีกก็ชื่อว่าจบจบหมายถึงว่าจบแบบจบจากพระาศาสนาหมายว่าตกจากพระาศาสนาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าเคลื่อนจากพระาศาสนาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ประมาทคือคนที่ตายแล้วเพราะเขาจะสู่ชรา ม, มรณะตายพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าไม่มีจบมีสิ้นส่วนอ่านะเขาเรียกว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่ง ความไม่ตายเนี่ยนะมันความไม่ประมาทจึงเป็นทางไม่ตายเพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่ประมาทโคจรไปในธรรมของพระเรียเจ้าทั้งหลายอันต่างโดยสติปัญญานสัมมปาปัญญาอิทิบาทอินทรพละโพชฌงและองค์มรโคจรไปในโพธิปักขยธรรมเพราะฉะนั้นการที่โคจรไปตามธรรมสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทเชื่อว่าปฏิบัติเพื่อแทงตลอด อมะตะเพราะผู้ที่ไม่ประมาทเจริญศีกขาสามให้เพียบพร้อมภัยบุญและบริบูรณ์ก็สา ม, มารถทำที่สุดแห่งทุกได้อันนี้ถือว่าเป็นพุทธวาจาปัชิมะวาจาที่มีอยู่ในครั้งสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานแปลว่าไม่มีคำอื่นต่อไปอีกแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกิจอันเดียวก็คือปฏิบัติตามคาสอนนะและการปฏิบัติทำตามคาสอนก็ต้องไม่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 เพราะพ้พุทธการพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เมื่อไรเนาะที่จะได้ฟังพุทธโอวาจะพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเนี่ยนะเมื่อใดเนาะที่จะมีการเลือกเฟ้นคัดสรรว่าคําสอนเหล่านี้นําออกจากทุกจริงเมื่อใดเนาะที่จะพบหมู่พระเรียเจ้าทั้งหลายที่ปฏิบัติ ด, ดีด้วยกายวาจาใจาปฏิบัติตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าจะหาได้ที่ไหนเนอเพราะฉะนั้นกิจในพระาศาสนานี้ทั้งมวล ควรกระทําด้วยความไม่ประมาทผู้ที่ไม่ประมาทสามารถทําที่สุดแห่งทุก์เช่นกับพระอริยเจ้าทั้งหลายส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับปริณิพานของพระพุทธเจ้าก็คงเอาไว้ติดตามพรวกนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะพรันสําหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายเจริญงอกงามในข้อปฏิบัติ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขอให้เราได้เจริญคุณธรรมที่สมควรแก่การเจริญให้งอกงามไพยบูร์บริบูร์ยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปเนี่ยนะในที่สุดก็สามารถตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับทุกสามารถตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทัน่นกันนะวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้